พอจบมารากถาแค่นี้พอไหมมีนิทานสักหน่อยไหมจริงเคยเล่าแล้วในที่นี้ไหมแต่เรื่องเกี่ยวกับมารจะให้รู้ว่าจริงๆเป็นเรื่องต่อจากที่พญามารกับพระโมคคัลลานะคุยกันตอนนั้นพระโมคคัลลานะเวลาทักพญามารเนี่ยนะ ท่านทักว่าจริงๆแล้วเรานี่เป็นญาติก am ันนะนี่เจ๋งไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นญาติกันนะพญามารก็ตะลึงเลยเฮ้ยเราเป็นญาติกับพระหรือยังไงเป็นยังไงบอกชาติโน้นเน่ะต้องลากไปยาวๆเลยโน้นเลยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัคุสันทะรู้จักไหมเคยได้ยินชื่อไหมองค์แรกของกัปนี่ตอนนั้นน่ะเราเป็นมาร ชื่อทูสีมานมีชื่อด้วยนะจำชื่อได้ด้วยทูสีมานแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ทูสีไม่ใช่ทูสีนะทูสีมานตอนนั้นเรามีน้องสาวอยู่แล้วท่านเป็นลูกของน้องสาวเราท่านเท่ากับเป็นหลานของเราที่นับญาติกันอย่างนี้นะ mm hmm. แล้วตอนนั้นเราเห็นพระในยุคนั้นภาวนากําลังจะได้มรรคผลไม่ชอบ คิดอย่างท่านเลยเหมือนกันเลยคิดอย่างเงี้ยเราเคยคิดมาแล้ว <laughs> คิดอย่างเงี้ยเคยเยคิดมาแล้วตอนนั้นนะเราก็จะแกล้งพระทำยังไงให้พระภาวนายาก <c oughs> ก็ไปดนใจดนใจญาติโยมให้ไม่ใส่บาตรดูสิให้ไม่ใส่บาตร <c oughs> แล้วก็ให้ด่าพระให้ไม่ใส่บาตรแล้วด่าพระ ด, ด้วย พระท่านก็ลาบากมากเลยโยมเป็นจำนวนมากถูกครอบงำโดยโดยพญามารโดยทูศีมารเนี่ยปรากฏว่าพระทั้งหลายก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนก็มีพระไปกราบทูลพระพุทธเจ้าในยุคนั้นคือพระพุทธเจ้าพนามว่า ก, กุสันโทพุทธเจ้าบอกกับพระ ในยุคนั้นบอกว่าโยมเขาถูกมารครอบงำอย่าไปโกรธโยมคนนะอย่าไปว่าโยมโยมก็ถูกมารครอบงำให้ท่านทั้งหลายเจริญเมตตาเจริญเมตตาปราถนาดีกับโยมทุกๆคนรวมทั้งมารด้วยเจริญเมตตาพระท่านก็เจริญเมตต า, า, า, ตาโยมก็ได้รับความช่าเย็นจากกระแสแห่งเมตตาของพระ มารก็ครอบไม่ได้กลายเป็นว่าโยมก็กลับใจมาใส่บาตรมารก็มารจริงๆโดนกระแสเมตาก็ไอ้กำลังแห่งจิตกำลังจิตของมารที่ไปครอบงำก็คลายวิธีชนะมารแบบหนึ่งคือเจริญเมตตาวิธีเบื้องต้นเลยคือนับญาติกัน <laughs> <laughs> เป็นญาติกันนะ แล้วก็พมานทูสีมานคือพระโมคคลานะั้นเห็นว่าโอ้มนเราเสื่อมเพราะว่าโดนบารมีแห่งความเมตตาของพระทั้งหลายก็เลยแกล้งใหม่วิธีแกล้งนี่เนียนมากเลยคือครอบงาใหม่ครอบงาโยมให้โยมเนี่ยทำนุบบำรุงพระให้มากๆไปไหนก็ไหว้สันเสริญถวาย ไหวสันเสริญถวายจะได้อะไรบอกมาหรือจะถวายให้พระเริ่มเหลิงอันไหนยากกว่ากันพระทําใจตรงไหนยากกว่ากันระหว่งางโยมไม่ใส่บากับโยมตามใจมากเลยเนะี่ยอันหลังนี่ยากนะโยมมาถึงก็กราบกรานเจ้าคะเจ้าขาอะไรเงี้ยนะพระเห็นแล้วโอ้ยใจหวั่นไหวปรากฏว่าพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยพระพรื่อเจ้าก็มาสอนพระอีก ให้เจริญอสุภะให้เจริญมรณสติให้พิจารณาความตายดูสิให้มาคิดถึงมารคือมัจจุม า, มาเห็นหให้มาดูความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่าประมาทในชีวิตนะให้เขาว่าอยู่10ปีแล้วเราไม่เจริญด้านธรรมะเลยเนะี่ยจะตายก็ได้นะพระท่านก็เริ่มไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในการพัฒนาจิตใจตัวเองปรากฏว่ามารทาอยู่สอง สองครั้งเลยนะโยมที่ถูกครอบงามตอนด่าเนี่ยตกนรกโยมที่ถูกครอบงามตอนกราบไหว้ขึ้นสวรรค์ไม่นับพวกที่ว่ามาเรียนธรรมะแล้วได้มรรคผลนะดูแล้วไม่ค่อยยุติธรรมสำหรับโยมเท่าไหร่นะถูกมารครอบงามแล้วก็ตอนครอบงามตอนด่านะตัวเองต้องตกนรกครอบงามตอนทําบุญ ไอคนโดนครอบตอนนี้ได้ไปสวรรค์เราอยากโดนครอบตอนไหน <laughs> ไม่อยากโดนครอบเลยใช่ไหม <laughs> อยากทาบุญด้วยปัญญาของเราเองเนาะแต่ที่ทาไมโดนครอบแล้วคนโดนครอบไปนรกนี่อยากจะบอกตอนนัวนี้เพราะที่มารทาเนี่ยมารกระตุ้นนิดหนึ่งเราเนี่ยมีกิเลสอยู่แล้ว มีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่แล้วมารมากระตุ้นนิดเดียวมารทำงานนิดเดียวกระตุ้นให้เกิดโทสะนิดเดียวแล้วเราก็ไปปรุงเองมารทำหน้าที่ปรุงโทสะขึ้นมาเราก็ไปปรุงอภิสังขารมารของเราเองเราไปปรุงกิเลสมารของเราเองเรียบร้อยตอนนี้เราทำของเราเองแล้วเรามีส่วนแห่งบาท น, นั้นด้วยถ้าเราถูกกระตุ้นแล้วไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญของเรา คือการเจริญสติรู้ให้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นกิเลสนั้นจะเป็นกิเลสจากการกระตุ้นของมารหรือกิเลสของเราเองคือกิเลสนั่นแหละก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วกิเลสก็ดับเข้าใจไหมดังนั้นสติดีเสมอจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำเป็นสำหรับพวกเราทุกๆคนเลยรู้จักว่ามีกิเลสอะไรตัวไหนเกิดขึ้นฝึกเบื้องแรกดูแค่กิเลสก็พอ ไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะไปดูถึงอภิสังขารอะไรก็ได้เพราะกิเลสก็แสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแสดงไตรลักษณ์ของมันอยู่แล้วไม่ต้องดูละเอียดอะไรมากก็ได้แค่นี้ก็พอที่จะบรรลุบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุมรรคผลได้เหมือนอย่างที่อาจารย์สรวัตรเนะ่ยอาจารย์สรวัต บ, บอกผมไม่ได้ดูอะไรมากเลยดูแค่หลงไปรู้มันหลงไปรู้มันดูแค่นี้เองรู้จักแค่นี้เอง ท่านก็ได้ดีของท่านได้แล้วท่านบอกว่าผมไม่มีอภิญญาอะไรไม่มีเจโตสอนใครไม่ได้ไม่อยากสอนแต่ที่ไหนได้เพราะสอนได้ผลทุกทีเพราะสอนไปเนี่ยสอนไปตรงใจคนทุกทีแต่ท่านรู้สึกว่าผมไม่เห็นรู้ใจคนเลย <c oughs> หลายคนเลยฟังอาจารย์สุวัตดิ์แล้วภาวนาเป็นอ่านหนังสือของท่านแล้วภาวนาเป็น กลัวมารไหมกลัวตัวเองเนอะกลัวตัวเองจะไปไปอยู่ไปพวกมาหรือพัฒนาจนเป็นนางพญามานขึ้นมาโหลำบากเลยเอาละมะั้งได้เล่านิทานแล้วจบได้ละ